ไปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นคำตอบของพระพุทธศาสนาจึงมีต่อเหตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตมนุษย์ว่าเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุคือการกระทำของมนุษย์ทั้งสิน้นเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องการความเข้าใจอย่างถีท่ท่วลึกซึง้งในการอธิบายเรื่องนี้จาเป็นต้องอาศัยอุปมาอุปไมยประกอบดังต่อไปนี้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 จะทำปฏิกิริยากับเปลือกไม้นั้นจึงกลายเป็นเมรัยได้นี้เป็นตัวอย่างของการกินเวลาในการให้ผล 3. การที่แกวงลุกตุ้มนาฬิกาเมื่อแกวงมาทางซ้ายมากเท่าไรเวลาเวียงกลับจะเวียงไปทางขวามากเท่านั้นข้อนี้เป็นตัวอย่างของปฏิกิริยาหรือการให้ผลทันทีภายหลังประกอบเหตุ 4. เหตุและผลที่เกี่ยวเนื่องกันอาจมีทั้งสายยาวและสายสั้นคนที่มองแต่เหตุผลสายสั้นไปพบเหตุผลสายยาวเข้าก็อ่านเรื่องราวไม่ออกพระพุทธศาสนาสอนให้มองทั้งเหตุผลสายยาวและสายสั้นตามประเภทที่เป็นจริงของมันจึงมีทางอธิบายความจริงได้อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุมเหตุผลสายสั้นเช่นเราดา่าเขาเดี๋ยวนี้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 เรียนหนังสือเมื่ออายุหกขวบเรียนไปเรียนไปก็อ่านหนังสือออกการเวลาล่วงไปเด็กชายกออายุ50ปีผลของการเรียนเมื่อหลายสิบปีล่วงมาแล้วยังคงส่งให้ในกออ่านหนังสือได้อยู่จากอายุ 40- ถึงห้าสในกอไม่ได้เรียนหนังสือเลยแต่ในกอได้รับผลของเหตุการณ์เมื่อ 30- มสถึงสีปีมาแล้ว หรือในตัวอย่างอื่นอีกในกอไปพูดสบประมาทดูหมิ่นในขอไว้ในวันนี้อีกห้าปีหรือหกปีต่อมาในขอได้โอกาสแก้แค้นเขาจึงรอบทำร้ายในกอถ้ารอคิดว่าเรื่องเท่านี้ทำไมผลจึงแฝงอยู่ในระยะยาวนักขอตอบว่ายาวเท่าไหร่ก็ได้เปรียบเหมือนเข้าเปลือกที่เก็บไว้เมื่อใดได้โอกาสและเหตุผลแวดล้อมที่จะให้งอก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 พินาฏล่มจมกันมามากต่อมากแล้วแต่เราเป็นโรคคอยอะไรนานไม่ได้ตอนที่เขาพินาฏล่มจมเราจึงหมดความสนใจเสียแล้วหมายเหตุผู้อ่านและในหลายกรณีคนทาชั่วและยังดูว่าได้ดีมีสุบนั้นแต่ความจริงแล้วสิ่งที่ต้องได้รับแน่นอนคือกิเลสมากขึ้นนาขึ้นความทุกข์ทางใจก็เกิดได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นผลที่เขาได้รับแล้วและความทุกใจนั้นให้ดูตามจริงว่าทรัพสมบัติเงินทองมากมายกายกองแค่ไหนก็ไม่อาจดับทุกข์ทางใจได้เลยอุปมาข้อที่6เหตุผลหรือกิริยาปฏิกิริยานี้มีสองชั้นขอให้เราพิจารณาให้ดีเหตุผลสองชั้นที่กล่าวนี้คือ